ข้า พ, า, าพเจ้าพระไพบูญพ์ะพิปุญโนจงกวัดป่าดอนหายโสอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปรับทำบุฟังก็เป็นประจำที่เราจะนําพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนที่พระเจ้าได้ตรัสเอาเองเรารู้ได้ไงว่านี่เป็นคําสอนจริงๆเราก็มีการนํามาจากข้อมูลที่เป็นมาจากในพระไตรปิฎกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็บันทึกกันมา เอาล้วเราเชื่อได้ไงว่าที่บันทึกมานั้นถูกต้องนบุญเจ้าก็ได้ให้วิธีการตรวจสอบเอาไว้แต่นะว่าถ้าเราคําสอนเนี่ยถ้ามันลงกันได้เข้ากันได้ใ น, นกับหมวดธรรมหมวดวินยัยอื่นๆน่ะก็น่าจะเป็นไปได้ที่ตรงนี้จะเป็นคําที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่ที่พระเจ้าตัดแน่นอนเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้วิธีตรวจสอบเนี่ยเป็นวิธีตรวจสอบที่ถูกต้องเนื่อเพราะว่า พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ ท, ที่ีไอบทพยันชนะที่ตรัสเอาไว้บอกว่าให้ตวรวจสอบอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้บทนั้นมันจริงหรือเปล่ า, าก็ลองทําดูก็ไดนะ้นี่คือคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่กล่าวทำทําอย่างไรกล่าวอย่างนั้นธรรมะเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งก็คือว่าน้อมเข้ามาสู่ตัวได้นะผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เราสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองถึงเมื่อเราทําเราทําทสักอย่างหนึ่งหนึ่งเช่นเราทำผิดศีลก็ได้อ่ะผิดศีลสักข้อใดข้อหนึ่งสิ่งที่ตามมาจากการผิดศีลคือความร้อนใจเราจะร้อนใจอยเช่นว่าเราไปมีกิ๊กเนี่เราจะร้อนใจว่าว่ภรรยาหลวงเขาจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะว่าไหมการงานจะเป็นยังไงมันจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นทันที ความร้อนใจตรงนี้นะเป็นธรรมะแน่นอนศีลเป็นธรรมะแน่นอนเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราทาบิศีลอันนี้จะมีความร้อนใจเกิดขึ้นอันนี้เราเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นได้โดยเฉพาะตนแล้วก็ตรงนี้แสดงว่าเป็นธรรมะแน่อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่อื่น ๆ, ๆเราก็ลองทดทดสอบตัวอย่างนี้ก็ได้โดยการที่เราเอามาปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นเราก็จึงมีชั่วโม ง, งการปฏิบัติ ในแต่ละสัปดาห์นั่นคือวันอังคารให้มาฝึกปฏิบัติกันจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยต้องย้ําว่าเป็นรูปแบบก็มีไม่เป็นรูปแบบก็มนะีเป็นรูปแบบต่างๆกันไปว่างนั้นแต่นะรูปแบบบางคนจะต้องนั่งสมาธิหมายถึงว่านั่งคูกขาเข้ามาหลับตาไม่ยุ่งกับใครไม่พูดกับใครอันนี้ก็รูปแบบนี้ก็ทําได้เมื่อนที่เราปฏิบัติในรูปแบบของความเป็นนักเรีย น, นคุณเป็นนักเรียนอยู่คุณไปมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความซื่อสัตย์มีความขยันกันแข็งอ่านี่ก็ชื่อว่าปฏิบัติทําในรูปแบบนั้นสมมุติเราเป็นพ่อเป็นแม่ เ, เรามีความรักลูกห้ามเสียใะบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้เขาทําสิ่งดีๆสอนสิ่งดีๆให้ลูกให้เต่าเอานี้ก็ปฏิบัติทําในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำธรรมะของพระเช่าเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ที่ทําแล้วเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตัวเอง เราทำดูว่ามันจริงไหมจริงอย่างว่าไหมเดี๋วเราก็จะสามารถตรวจสอบด้วยวิธีการตรงนี้ก็ได้ในช่วงนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องของอริย ส, สัจสกันอยู่อริย ส, สัจสว่าเราควรจะต้องมารู้อริยสัจสี่ทความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอริย ส, สัจสนี้อย่างไรในเวลาที่เราจะพูดคุยกล่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าเราควรจะพูดเรื่องอริย ส, สัจสนะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับอ่า กรเรศศีเนี่ยเราไม่ต้องไม่ควรจะพูดในะเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุดโทมเรื่องความาเจริญเรื่องท่านา้ําเรื่องทะเลเรื่องตรอกทางเดินเรื่องหมู่บ้านเลยพวกนี้นี่ยเป็นะอย่าไปพูดเดือดชันกถาในแต่ให้มาพูดถึงเรื่องกรเรศศีอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่า1นึ่งเจ้าเนี่ยตรักระพิสูจน์ต้องหลายอยู่แตนะ่ถึงแม้ตรักระับก็ไดบดีที่เคยสอนให้มีความเปลียนมีความ เขียนคันแข่งในการหาทรัพย์อันนี้ก็เวลาเวลาที่เราพูดเนี่ยบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอาทั้งนั้นพูดเรื่องมึงหลวงพูดเรื่องตรอกท่าน้ําทางเดินพูดเรื่องพระราชาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความเจริญความรุ่งเรืองไม่ได้เลยเหรอเราก็ต้องดูบทเพียนชนะดีๆปุโรชาบอกว่าเมื่อจะกล่าวจงกล่าวว่าช่นนี้ช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้ช่ น, นี้เป็นเหตุให้ เ, หหเกิดทุกข์เช่นนี้ช่ น, นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ช่นนี้ช่นี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ทุกเนี่ยท่านฟังเห็นไหมว่าทุกอย่างจะมีทุกๆุทุหมดเลยอันนี้เป็นทุกนี่เป็นเหตุเกิดทุกนี่เปความดับทุกอันนี้เป็นทางดาเนินถึงความดับทุกเราอยู่ในกองทุกเราเจอที่ไหนเรามีแต่ทุกนะทุกในที่นี้คืออะนะทุกในที่นี้คือความที่มันทนอยู่ไม่ได้ส่มตเราจะพูดเรื่องเมืองหลวงอย่างนี้เราก็ต้องพูดสิว่าเอ้ยอันนี้มันมีปัญหานะมีปัญหาเกิดขึ้นนะปัญหานี้คืออะไรว่าไปนะเหตุของปัญหาคืออะไร ถ้าเราเปลี่ยนคําว่าทุกเนี่ยคือปัญหาก็ได้นะหรือเปลี่ยนคําว่าทุกเป็นเมืองหลวงก็ได้คุณจะพูดเรื่องเมืองหลวงนะคุณก็เหตุของเกิดเมืองหลวงคืออะไรความดับไม่เหลือคืออะไรทางดาเนินตรงนั้นคืออะไรแตนะ่ถ้าเราพูดในนัยยะนี้เนี่ยบทพยัญชนะการสนทนา น, นั้นจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะครอบคลุมหมดนะคือบางคนเนี่ยดีแต่บน่นแต่ปัญหาไม่แก่นะบ่นไปบ่นไปนะแล้วก็ด่ากันว่ากัน เะทีมันมีแต่เหตุเกิดทุกข์แล้วก็ตัวทุกข์นี่แล้วความดับทุกข์แล้ววิธีแก้ปัญหาอยู่ตรงไหนไม่มีแต่ทำให้บทสนทนาเนี่มันก็จะจะเป็นบทสนทนาที่พระเจ้าเรียกว่าขวางหนทางธรรมแต่เป็นการคุยการพูดที่ขวางหนทางธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเรียนหนังสือเรื่องตลอดท่าน้ำทางเดินเนีย่ยต้องพูดในเนย้อที่ปัญหาของเขาหรือตัวของเขาใช่ไหมเหตุเกิดของเขาหรือเหตุเกิดของปัญหา นะความดับของมันแล้วก็วิธีการให้ถึงความดับนะคุยอย่างเนี้ยเออบทสนทนา น, นั้นจะค่อนข้างมีสาระนะไม่ขวางหัวต่างําเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการพูดจาอย่าไปพูดว่าอุยพระองค์นี้เทศดีเทศไม่ดีพระองค์นี้เทศ ด, ด, ดีกว่าองค์นั้นองค์นั้นทําไมพูดไม่พูดอย่างนี้อีกองคหนึ่งพูดอย่างนั้นเอขัดกันหรือเปล่า้นะทําไมกล่าวก่อนกล่าวทีหลัง แตนะรพุทธาบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องพวกนี้พวกนี้เป็นเรื่องขวางหนทางธรรมอีกเหมือนกันในะกรณีที่พระจะมาเถียงกันเนี่ยในะหรือคารวะก็แล้วแต่จะมาเถียงกันว่าเออธรรมะต้องเป็นอย่างนี้นะธรรมะไม่ใช่อย่างนี้นะนะฉันฉันพูดถูกเธอพูดผิดนะฉันกล่าวดีกว่าเธอกล่าวแย่กว่านะคําพูดเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะเราพูดที่ศึกษาตามคําสอนพรพุทธจ้าเนี่ยไม่ควรจะมาเถียงกันว่าใครถูกใครผิด แลก็เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็คือจบละสมมุติว่าฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิดเราก็อย่าไปพูดอย่างนั้นนะถ้าเราสามารถบอกสอนกันได้ก็ชี้แนะแนวทางบอกสอนนะแล้วการที่ทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าธรรมวินัยเนี่ยจะดีขึ้นมาได้จะถูกขึ้นมาได้จะรุ่งเรืองอยู่ได้เนี่ยก็เพราะความที่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยอาศัยการตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็นะกถ้าเพิ่งฟังลองพิจารณาดูสิ การตักเตือนซึ่งกันและการกับการที่มี ท, ท, ทิฏฐิยึดถือเอาความเป็นแตกต่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างคนที่มีทิฏฐิยึดถือเอาความเป็นแตกต่างเนี่ยเขาจะปฏิเสธทุกอย่างอีกที่ฝ่ายหนึ่งทำไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะถูกหรือฝ่ายหนึ่งจะผิดก็ตามไหนมันทําอะไรขึ้นมาปฏิเสธหมดมันทําอะไรขึ้นมาไม่เอาหมดไหนมันทำอะไรขึ้นมามันผิดไปหมดเราดูอย่างสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกเข้าขายลักษณะว่าถือทิฏฐิเอาเห็นความเป็นแตกต่างกัน นะัคือแบ่งขั้วกันชัดเจนนันะฉันคือฉันเธอคือเธอฉันทําอะไรเธอก็มากล่าวหาฉันงั้นเธอทําอะไรขึ้นมาฉันก็จะกล่าวหาเธอนะศาสตร์โคลนใส่กันนะชี้แต่ข้อเสียมีการพูดยุยงให้แตกกันนะอกุศลเป็นอันมากนะอกุศลธรรมเป็นมากก็เกิดขึ้นนะ่ะแล้วมันจะรุ่งเรืองมันจะเจริญได้ยังไงพระพุท า, าบอกว่าให้พิสูุเนี่ยหรือให้บุคคลที่อยู่ในธรรมะวินัยเนี่ย ให้รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจำฝังรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ไม่รลือกราชการเหล็กเล่นแต่เป็นผู้ที่รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเพราะฉะนั้นไออาการที่ตักเตือนกันอาการที่มีถ้อยคํายึดถือเอาแตกต่างกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันแตไม่เหมือนกันตรงที่ว่ า, าผู้ที่ยึดถือถ้อยคําแตกต่างกันเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายเนี่ยเขาจะทิศทีของตัวเองเป็นหลักนจะเอาฉันต้องชนะ อาทิศิที่แตกต่างกันเนี่ยเอาตรงเนี้ยเป็นหลักแต่ว่าคนที่มีการเขาเรียกว่าแนะนําบอกสอนหรือว่าตักเตือนกันเนี่ยการตักเตือนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยธรรมวินัยเป็นหลักทนีนี้แต่ละคนเนี่ยความสามารถหรือว่าวิธีการพูดมันไม่เหมือนกันทำฟังบางคนเนี่ยพูดไปแมมเหมือนด่ากันเลยพูดเปนข้อเก่งขึ้นมา แต่ว่าอิริยานั้นอาจจะไม่ใช่ด่าก็ไดนะ้อาจจะเป็นการตักเตือนนะตามทําตามวิมมหนัยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่แบบโอ้ยบอกยากสอนยากนะเห็นอะไรเขาคอเป็นเอ็นขึ้นมานิดนึงก็มันโกรธแล้วแล้วเราต้องด่ามันกลับอ้าวเราตั้งหากที่กลับว่ายึดถือถ้อยคำอ่าแตกต่างนะเราต้องฟังดีดีนะฟังดีดีว่าเขาว่า ย, ยังไงคือพระเจ้าเนี่เคยบอกว่าถ้าแบบว่าใครมาด่าพระพุทธประธรมพระสงค์เนี่ยนะ ถ้าเอว่ามีจิตกดเครื่องเกิดขึ้นคับแค้นเกิดขึ้นแล้วเธอจะไม่มีรู้เลยว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นคําจริงหรือเปล่านะเราต้องไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความบ้าบอไม่มีความหวั่นไหวเกิดขึ้นในจิตแล้วก็มาฟังดูดีว่าที่เขาพูดมันจริงไหมถ้ามันจริงเราก็รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพตักแน่นถ้ามันไม่จริงเราก็ไม่ด่า ก, กลับหรอกเพราะตอนเราไม่โกรธอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ด่ากลับไม่ว่ากลับแล้วก็ฟังไว้เฉยนิ่งไว้เฉยก็จะไม่มีเรื่องที่ขวางหนทางทําเกิดขึ้น ไม่มีการที่มีถ้อยคำอันเป็นแตกต่างเกิดขึ้นอันนี้นะทานผู่งความที่รับฟังคํำตเตือนด้วยความควารำหนักแน่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเหมือนกันนะนะคนทําได้นี่ก็จะต้องมีเรียกว่ามีความอดทนพอสมควรนะมีใจกว้างอันะนี้เป็นลักษณะของธรรมะอยู่แล้วใจนะกว้างไม่ละธรรมะของพรนะเจ้าเวลาเปิดเผยเผยแผ่ไม่ได้ไปคิดด้วยซ้ําว่าต้องเสียค่าตรงให้ฉันเท่านี้นะมีค่าลิขสิทธิ์นะอะไรต่างๆอันนี้ไม่มี เป็นความใจกว้างของบุรุชาที่ที่บอกเอาไว้นั่เพราะว่าอะไรทําไมถึงทําอย่างนั้นเธอฟังหลองกิ ด, ดูเมื่อวันก่อ น, นมีคนมาวัดเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งมาวัดก็บอกว่าเนี่ยมีลูกสาว เ, าเขาไปมาหาพระวัดนี้แหละหาเจ้าวาดนี่แหละ แ, ละแล้วก็เจ้าวดาดทักเขาว่าเนี่ยชีวิตจะไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วสามีจะมี นี่สินอะไรต่างๆยขาเป็นกังวลมากเลยในลูกสะพ้ยที่มาหานี่ไปบอกไปบอกแม่ยายแม่ยายกับสามีก็เลยพากันมาร้องห่มร้องไห้มาหาที่วัดป่าดอนไนโศกคุยกันไปคุยกันมาท่านู่้ฟัง เ, เราคิว่าเราไม่ได้ดูดวงผมพ่อท่านก็ไม่ได้ดูดวงไม่ได้พยากรณ์อะไรทํานองนี้ทําไมเขามาแล้วเขาพูดเรื่องอะไรปรากฏว่ามาผิดวัดท่านผู้ฟังมาผิดวัดก็เลยไป เขาจะมาอีกวัดหนึ่งที่บ้านดอนไหโ่โศกแต่เขาเดินมาที่วัดป่าดอนไห่โศกก่อนหนะักก็คุยไปคุยมาปรากฏว่าเป็นคนล่เรื่องกันไปเขาถูกความกลัวคุกคามเอาท่านฟังถูกความกลัวคุกคามจากข้อมูลอะไรจากข้อมูลที่ลูกสะพายเนี่ยไปบอกนะคนที่ถูกความกลัวคุกคามเหล่าแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจะยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างนาโรคาเจดีบ้างว่า น, นั้นเป็นที่พึ่งของตนของตนแต่พระถูกความกลัวครอบงำเอาถูกความกลัวคุกขามเอาคนกลัวนี่นะท่านฟังเฮ้ยมันกลัวไปหมดนะมันเอาอะไรออกได้มันจะพยายามหาที่พึ่งตรงนั้นมันไปหมดนะมันวิ่งทั่ววนเหมือนกับเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่นะคือปันปวนไปหมดบ้างงั้นจิตใจนะจึงจึงไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องในบางเดียวพระเครื่องเป็นที่พึ่งบ้าง ในบุงทีอสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นที่พึ่งบ้างเจดีบ้างต้นไม้บ้างภูเขาบ้างใเขี่ยวสัตว์บ้างคิดว่านี่เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ในที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันดีที่สุดเนี่ยคือที่พระเจ้าตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาตรงนี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเอาเป็นที่พึ่งเฉยแต่เอาเป็นที่พึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจสีนี่คือสําคัญเราต้องทําความเข้าใจนะเตมฟังคุณมีเอาเป็นที่พึ่งแล้วเพื่อรู้อริยสัจสีจุดประสงค์ของที่คุณมาฟังธรรมะ มาปฏิบัติธรรมะบางคนเอาเหรียญห้อยคอด้วยนะเราก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อรู้อริยสัจสี่นะนุฟังเพื่อรู้อริยสัจสแค่นี้เองนะถ้าเรามารู้อริยสัจสแล้วโอ้โหเราจะปลดความทุกข์ได้มากนะความกลัวต่างจะลดไปมากเราก็จะไม่ไปที่พึ่งอันผิดคือที่พึ่งอันผิดผิดเนี่ยถ้าสมมุติเราไปใช้เราไปพึ่งเราไปทําเราไปเดินเราไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่จบนะมันก็จะ ไปไม่จบเนี่ยหมายความว่ามันมันไม่มีมันเป็นทางตันนะมันไปต่อไม่ได้นะมันมันเป็นทางอ้อมนะมันอ้อมไปมันก็ตันสุดท้ายคุณต้องกลับมาทางเดิมต้องไปเดินทางเก่าทางเก่าที่นี่คือมร์แปนั่นเองเป็นหนทางเก่าที่พุทธชาติทั้งหลายเนี่ยได้ทรงดําเนินเอาไว้ได้พากันเดินไว้พระอรหันต์ปัญเจกพุทธชาติทั้งหลายก็เดินทางนี้เราเดินทางนี้ไปเนี่ยเราจะพบถึงถิ่นอันเกษมได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราถูกความกลัวคุกคามเอาอะ เราเราก็พยายามที่จะมีที่พึ่งที่ถูกต้องแตนะ่ถ้าเรามีที่พึ่งที่ถูกต้องเรารู้อายะสัจสีได้ก็จะดีอย่างเรื่องของเวลาที่เราจะเอาพระพุทธชาติเป็นที่พึ่งเนี่ยยกตัวอย่างบางคนก็จะบอกว่าอฉันเอาพระเครื่องแต่ฉันจับพระเครื่องนี้ขึ้นมาฉันก็รู้สึกคิดถึงบุตรชายเอออ น, นั้นก็ดีแตนะ่จริงๆแล้วความรู้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องใช้แตนะไม่ใช่วัตถุนะถามว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรเป็นความรู้ในคำว่งางเป็นเรื่องของจิต ไม่ได้มีรูปเคารพไม่ได้มีพ ร, os, ระพุทธรูปไม่ได้มีรูปปั้นไม่ได้มีเหรียญไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เราระลึกถึงงจุดนี้ได้แล้วก็ก็ใช้ความรู้ที่เรามีใความสามารถในการนึกถึงท่านนั่นเองท่นี้บางคนอาจจะต้องมีเครื่องอ้างอิงในเะครื่องหมายในเะครื่องหมายที่ทำให้เขานึกถึงได้บางคนอาจจะใช้ปรัเครื่องบางคนอา จ, จใช้ใบโพลบางคนอาจจะใช้รูปเหรียญบางคนอาจจะใช้แก้วน้ำบางคนอาจจะใช้ปากกาในะที่ทําให้ตัวเองเนี่ย ระลึกถึงพระบุตรพระธรรมประสงค์อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเขาแต่ที่ทำที่มันจุดที่มันเวิร์กจุดที่มันทําให้เราพ้นทุกได้จุดที่มันเป็นที่พึ่งที่ราลึกถึงอย่างถูกต้องคือความรู้ที่อยู่ในใจนะคือบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเรียนพระเครื่องใบโพปากการูปเครบรอแก้วน้ําเหล่านั้นนะเป็นที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งจริงๆเนี่ยอยู่ข้างในอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสื่อที่ทําให้ถึงที่พึ่งนั้นสําหรับบุคคลคนนั้น นะก็ก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้อันนี้เคยมีเรื่องเล่าเชื่อฟังนะมีคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาก็ไปออกรบนะไปรบในสงครามสักอันใดอันหนึ่งนี่แหละเขาไปรบไปสู้รบเนี่ยเขากนะ็ไปอยู่แนวหน้านไปอยู่แนวหน้าในครั้งนั้นเขาก็มีพระเครื่องห้อยคอไปด้วยนะพระเครื่องที่เขาห้อยคอไปนี่โอ้โ oh, หสืบทอดมาสมัยปู่ย่าตายายทวดแม่ให้มาไปให้หลวงพ่อหลวงตาหลวงอาหลวงน้าหลวงลวงุลงแผ่เมตตาปลูกเสกให้เรียบร้อยแขวนคอไป เพื่อที่จะไปรบไปรบคราวนี้ก็ไปอยู่แนวหน้าไปอยู่แนวหน้าแล้วไงแล้วก็ไปต่อสู้ไงมีเหตุการณ์สถานการณ์อันหนึ่งเขาเข้าตะลุมบอลกันโอลูกปืนนี่วิงวิ่งกันว่อนบึ้มบึมบึ้ ม, มไปหมดเลยตัวเองก็กลัวมากนะทางนี้ก็สั่งให้บุกทางนั้นก็จะบุกมาทํายังไงเอา้าเราเป็นทหารก็ต้องทําตามหน้าที่กับบุกไปนะปรากฏว่าในขณะที่กําลังวิ่งไปในป่าสู้รบกันในป่าเนี่ยฟังปรากฏว่าสร้อยคอที่ ให้พระเครื่องนี้มาขาดเต็มฝั ง, งโอ้ยทหารคนนี้นะมอนี่เนี่ยเขาตกใจมากเล ย, ยตายแล้วเป็นรางร้ายแน่เลยทำไงดีฉันเสียชีวิตในสงครามคราวนี้แน่เลยก็เลยด้วยสติสัมปชัญญะไปพระเครื่องที่มันตกไปเนี่ยตกล่นพื้นไปแล้วใช่ไหมก็ไปคว้ามาคว้าแล้วทําไงแขวนคอไม่ได้เสียอการชุกเฉินก็อมเข้าปากเลยอมเข้าปากเอาไว้นะแล้วปรากฏว่าในขณะที่อมเข้าปากไปเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยพระเครื่องอยู่ในป่านี่ แบบเต้นขึ้นมาทั้งฝั่งสันบึมบึมบึมบึขึ้นมาอยู่ในปากตัวเองนะก็เลยมีความคิโอ้โ oh, หนี่ครั้งแน่นอนเอาฉันสู้เต็มที่นะสู้นะใช้เทคนิคต่างๆตามที่ตัวเองได้ฝึกมาเรียนมานะ่ะปรากฏว่าเขารอดมาได้นะรอดมาไม่กี่คนเองเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะจากสงครามครั้งนั้นปรากฏว่าจากที่รอดมาเนี่ยโดยเทคนิคต่างๆ่ตัวเองสู้มีกําลังใจขึ้นมาคิดว่านี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอา่าปากออกมาแล้วก็ขายออกมานะพอสงครามในการตะลุมบอลครั้งนั้น จบลงแล้วคายออกมาปรากฏว่าเป็นเขียดท่านผู้ฝังเนะี่ยเป็นเขียดเนะี่ยที่อยู่ตามป่าเนี่แหละคือตัวเองอ่ะเอามือคว้าลงไปแล้วเนี่ยก็ไปโดนเขียดไม่โดนพระเครื่องเนะหยิบใส่ปากมันก็เต้นนะสิเพราะมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพอเป็นงั้นคือเขียดมาอยู่ในปากมันมันก็ตายเนะี่ทหานคนนี้เขาก็เลยเอาเขียดเนี่ยมาขึ้นหิ้งบูชานะีว่าให้ระลึกถึงความเพียรของตนเนะี่ยเขาก็ได้สติขึ้นมาทันทีโอ้มันไม่ใช่พระเครื่องนี่นาะ ที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้มันเป็นเขียดโอ้จะทำยังไงดีแล้วก็นึกถึงความดีงามของเขียดตัวนี้นึกว่าโอ้โหทําให้ฉันพึดสู้มีกําลังใจขึ้นมาเนี่ยไอ้ความพึดสู้ความมีกําลังใจนี่คืออะไรตัางใจฟังนั่นคือพระสงฆ์นะพระสงฆ์หมายความว่าไงสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะอะไรที่คุณพาพาเขารอดมาตอนนั้นคือการปฏิบัติของเขาการทําของเขาการใส่ความเพียรเข้าไปทําให้เขารอดออกมาได้การที่ไม่ยอมแพ้ การต่อสู้นะเราต่อสู้เขาจึงเอาเกียรดนี้มาขึ้นหิ้งบูชานะเพื่อนทหารด้วยกันก็เห็นว่าเอาทำใหบูชาเกียรดอ่ะนะเขาก็รู้ข้อมูลเขาก็เออก็บูชาก็เห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นธรรมะที่อยู่ตรงนี้ในะแต่พอรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นเกียรติก็บูชาเขียดโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องราวข้างหลังนะทหารคนนี้เขาเ้าใช้เขียรดเนี่ยเพื่อที่จะระลึกถึงรพระบรพระธรรมประสงค์ในการปฏิบัติของเขา แต่ตะกุเินบูชาเกียรติแล้วจบอยู่แค่นั้นมันไม่ถูกนะเราจึงจะต้องถ้าเรามีความถูกทุกคุกคามอยู่เรามีความทุกขุกคามอยู่นะคุณจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนมันไม่ได้นะเราจะต้องเอาที่พึ่องอันกเกษม ค, คือพระบุพประตันประสงค์ถามว่าคุณจะต้องใช้เครื่องมืออะไรไหมในการที่จะต้องมาเห็นมาระลึกถึงพระรัตนตรั ย, ยตรงนี้คำตอบคือไม่จำเป็นพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนั้นเอาไว้มีแค่คําสอนแต่ถ้าเรารู้จักคําสอนอย่างดีเราต้องจําได้เราฟังทาอยู่เรื่อยๆแล่งรู้จักไปหาพระอริยเจ้าบ้างอันนี้จะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ถูกทีนี้ไอเวลาที่เราจะมารู้อริยสัจเนี่ยจำฝั่งบางทีเราเราไม่รู้เราไม่เห็นเราพยายามเห็นมันก็ยังไม่เห็นก็ไม่รู้มันเป็นยังไงทําไมมันไม่เห็นนะพระเจ้าก็บอกถึงว่าความที่เราถูกอวิชชาบังอยู่ นะั่นถูกอวิชชาบังอยู่ถูกตันหาผูกเอาไว้นะเราก็ได้เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปหมายเอาไว้นะว่าเหมือนคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิดเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นแสงไม่รู้รับรู้ถึงว่าอันนี้มันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสีสันเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงสีแดงเป็นยังไงนะไม่รู้จักนะก็อบอกสีเขียวเป็นอย่างนี้ไปจับดูอ๋อมันก็เหมือนกับสีดำแฮะไปจับดูมันก็เหมือนกับสีเหลืองแฮะไปจับดูมันก็เหมือนกับสีน้ําเงินแฮะ ก็สีมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ด้วย ต, ตาคุณไม่มีตามก็หมอไม่เห็นเอาอย่างไรก็ตามแล้วก็ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ไปพอพอเราเป็นอย่างนี้มีคนคนหนึ่งก็บอกว่าท่านผ้าขาวเนื้อดีนี่เป็นของของดีนะควรจะควรจะสัญหามาเอาไว้เขาก็ไปสัญหาผ้าขาวเนื้อดีมาเพื่อที่จะมาหม่มมาใสาให้งามปรากฏมีคนหนึ่งมาม า, มาลวงมาหลอกเขาด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนเขา่า เราตังก็ไม่รู้จักว่าผ้าขาวเนื้อดีเป็นยังไงนะพอจับจับไปเ อ, อ้านี่มันเป็นผ้าเนื้อเหลวเปื้นกระเมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือผ้าเนื้อเหลวเปื้นกรนะเมาเรก็เลยเอามาห่มโชแสดงอย่างดีเลยไปไหนก็ห่มโชก็เป็นผ้าเปื่อนเนเนื้อเหลวๆนี่แหละนะต่อมานะปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยเขาเอาหมอมารักษานะหมอมารักษานี่ก็รักษาหยอดยาบ้างให้กินบ้างงดของแสลงบ้างต่างๆ แล้วเขาก็เลยมีตาดีขึ้นมาพอมีตาดีขึ้นมาปุ๊บเห็นไอ้เจ้าผ้าอันนี้ไปเปรียบเทียบกับผ้าขาวนะคนไม่เคยเห็นของขาวของดําไม่เคยเห็นสีเขียวสีแดงมาเห็นแล้วมันก็รู้อ่ะนะพอพอเห็นแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะเปรียบเทียบกันได้เห็นกันได้เพราะมือจับมันไม่รู้นะมือจับสีมันไม่รู้ก็จะมารู้ได้เฉพาะเมื่อตาเห็นพอเห็นแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยก็โยนทิ้งของผิดไปเอาแต่ของถูกเข้าไป อันนี้เปรียบเทียบดีมากท่านผู้ฟังในะเปรียบเทียบว่าเราเกิดมาเนี่ยคนที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยก็คือคนที่ตาบอดเนะีเหมือนกับไก่เนี่ยลูกเจี๊ยบเนี่ยอยู่ในไข่อยู่แม่ไก่กํากลังฟักอยู่เกิดมาในถูกห่อคุ้มเอาไว้ด้วยอวิชชาเนี่ยถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยอวิชามันมองไม่เห็นอะไรนั้นอยู่ในอยู่ในไข่อะท่านผู้ฟังลูกเจี๊ยบอยู่ในไข่ก็คิดว่าเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกล่ะนี่คือโลกของฉันโอ้โหเจอสิ่ชันใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีความคิดอย่าง ก็มีความคิดแค่นั้นเระตัวเองอยู่ในไข่นะแต่เมื่อไร่ที่ เ, เติบโตขึ้นมาไข่ออกจากไข่ได้อันนี้ก็ชื่อว่าทําลายกล่องวิชาได้ในะทีนี้พอเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเราเห็นอะไรเราก็นึกคิดไปตามเรื่องตามราวใช่ไหม น, นี้คิดว่าดี น, นี่คิดว่าไม่ดีก็ไปตามเรื่องตามราวนะมันก็เลยก็เลยมีปัญหาเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราคิดว่านี้ถูกบ้าง น, นี้ผิดบ้างแต่บางคนไม่รู้ธรรมะเลยแต่พอจําได้บ้างตรงนั้นตรงนี้ มาคุยให้ฟังนั่นนี่โน่นโอ้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหนะคิดว่าบรรลุ ข, ขั้นนั้นขั้นนะี้ไหนมันก็ไปได้หลายแนวเราฟังไหนะไปได้หลายแนวหลายแบบเราก็ต้องคอยระวังตรงนี้ไหนะเราต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนขวนขวายในการที่จะทําความเพียรนะสํารวจตัวเองอยู่เสมอนะเป็นผู้ที่รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไหนะยินดีในเรื่ว่างไหมมีเรามีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนเราต้องสร้างกรรมดี ในสิ่งไม่ดีเราไม่ทํายกต้นข่มท่านเราไม่ทําำอดอ้างเราไม่ทำํทำทําแต่ความดีทําแต่ความที่มันถูกต้องเราก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้พอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเอาแค่ขั้นที่หนึ่งั่านฟังนะขั้นของความเป็นโสดาบัน เ, เมื่อเราเป็นโสดาปฏิผลมีความปฏิบัติปลายจนกระทั่งให้มีความที่เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยมันละไปได้เรื่องร้ายรันให้เกาะเกี่ยวในภพเนี่ยมันละไปได้ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ที่จะหลุดลอกออกไปเนี่ยมันจะมีปริมาณมากเนีย่ยสมมุติเราเดินไปตามมริยสเนี่ยเดินไปตามขนทางมรคแปดเนี่ยนะเพื่อที่จะรู้อยสัเนี่ยเราเดินทางไปตามทางนี้เนี่ยความทุกข์เราก็ลดลงละ ล, ล, ล, ล, ล, นะลดลงลอ ก, ล อ, กออกลอกออกลดลงลอกออกลอกออกนลดลงลอกออกไปออกไปความทุกข์ลดลงความสุขมีมากขึ้นจกกนถึงเรียกว่าจุดที่เป็นหลักกิโลเมตรนะจุดที่เป็นหลักกิโลเมตรมีทั้งหมด 3- 4หลักนั่นก็คือ โซดาปฏิผลสกัธาคารมิผลอนาคามิผลและก็อัตตผลนะหลักสุดท้ายนี่คือจุดที่เราสําเร็จนะหลักกิโลเมตรตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราเขับไปตามถนน น, นะนะท่านผู้ฟังนะตามทางหลวงใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่ว่าเป็นจุดเติมน้ําเติมข้าวเติมน้ํามันมีอาหารมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้นนะก็จะเป็นหลักกิโลเมตรที่ว่าจะอยู่ได้ปลอดภัยอยู่นะโซดาปฏิผลก็เป็นลักษณะอันเหมือนกันนะพอเราเดินผ่านมา เดนะีคุณเป็นโซดาปฏิมัติอยู่ใช่ไหมทาไปทําไปอ้าวสัง่งย่อยเครื่องรัดหมดไปอา น, านันเป็นโซดาปฏิพลละเป็นโสดาปฏิพ ล, พพลแล้วยังไงเดนะีก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปมากเดีนะ๋ยวพรเจ้าเปรียบเทียบความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วนะกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ว่าอย่างนี้เดความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับพื้นแผ่นดินนี้เดเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เดนะีก็เท่ากับเศษฝุ่นติดปลายเล็บนั่นเอง อีกสูตรหนึ่งเคยเปรียบเทียบว่าความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับคุณเขาหิมาลัยนะส่วนความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับก้อนกรวดเนี่ยขนาดเท่าเม็ดตัวเขียวเนี่ยเจ็ดเมล็นะความทุกข์ส่วนที่ยังสิ้นไปแล้วเนี่ยเท่ากับน้ําในสระ ก, กว้าง50โยชน์ห้าสินึ่โยชนี่สิกิโลนะนะนับไป50โยชน์เอาห้าสิูณสินความความกว้างของน้ําในสระนี้นะปริมาณน้าตรงนี้กับน้ำที่ติดปลายบายาารรยาขาศไงฝั้ัง เอาปลายไวยาคารนี่จุ่มลงไปในน้ํามันติดขึ้นมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเปรียบเทียบกับน้ําในมหาสมุทรดูแต่บางทีก็เปรียบเทียบกับน้ําในสระบ้างน้ําในมหาสมุทรบ้างแต่บางทีก็เปรียบเทียบกับเมล็ดกระเบลเจเมล็ดแล้วก็พื้นเบตเพีบางทีก็เปรียบเทียบกับน้ํา 2- งสหยดกับน้ำในแม่น้ํา5สายรวมกันแต่บางทีก็เปรียบเทียบกับเมล็ดประกาศ2อสาเมล็ดกับกุญเขาหิมารายในเปรียบเทียบให้ทราบถึงความน้อยกับความมาก ที่มันแตกต่างกันจนกระทั่งแทบจะเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะไม่มาถึงซึ่งส่วนเสี้ยมด้วยซ้ํำท้นะทยมตำแหน่งที่50นั่นนะ่นะ ก, ก็ยังไม่เจอเรามาดูตรงนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าความทุกข์ที่เรามีในภพปัจจุบันนะมันมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ตามกรรมของแต่ละคนนะความทุกข์ที่เราจะไปเจอในภายหน้าก็นับไปด้วยมารวมด้วยความทุกข์ที่เราจะต้องไปเจอในภายหน้าก็นับมารวมด้วยนะมันก็จะเยอะมาก อยในชาตินี้ท่านฟังของคิดดูสมมุติว่ามีคนเราจะเจอประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเรียกว่าประสบการณ์เฉียดใ น, นเฉียดตายว่างั้นนะแล้วมีคนมาช่วยเราในสถานการณ์นั้นเฉียดตายมีคนมาช่วยเนี่ยโอคนนั้นจะมีหนี้บุญคุณกับเรามากนะเราผ่านชีวิตรอดตายมาได้ว่างั้นแต่เรารอดตายมาได้ทีนี้ยังไงก็ตามมันก็ยังต้องตายอยู่ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสามารถ เราเราลองมาดูใจของเราเนี่ยตอนที่เราผ่านประสบการณ์เฉียดแล้วเราลอดตายมาได้เนี่ยโอ้โหมันแบบใจมันว้าบไปเลยนะแล้วถ้าเราไปเจออย่างนี้อีกอนเนกชาตเป็นเป็นนับครั้งไม่ถ้วนแม่มันจะสบายใจมากเลยทําฝัง่งนึกออกนะคือหมายว่าตอนนี้สมมุติว่าเราจะเดินไปเนี่ยเราเกือบจะถูกรถชนน่ะแต่มีคนมาดึงหลังเราไว้เนี่ยทาให้เราเฉียดไม่โดนรถชนอย่างเงี้ยหรือมีคนมาผลักเราปุ๊บทําให้เราเอา่าลอดจากสถานการณ์นั้นขึ้นมาได้เนี่ยโหเราจะแบบ โล่งใจไปเลยนะโอ้โห و, ฉันรอดมาได้ไงมีความสบายใจตรงนั้นนิดหนึ่งแบบมันเกือบไปแล้วเนี่ยนะเราเอาความเกือบไปแล้วที่เราโดนครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติคุณเจอประสบการณ์เฉียดแบบเนี้ย10ครั้งในชาตินี้นะสิครั้งในชาตินี้คุณเอามารวมๆกันดูแล้วนับครั้งไม่ถ้วนที่จะเกิดไปเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกิดีเนี่ยมารวมกันดูโอ้โห و, ความทุกข์นี่มันจะมันจะน้อยมากแทบไม่มีนะเราจะมีความสุขมากสบายใจมากโ้ฉันรอดมาได้มารวมกันในชาตินี้ เหลืออีกแค่7ครั้งที่คุณจะตายนั่นคือสอดบันที่เป็นสตักขตุปธระมะเราทําความเพียนไปท่านผู้ฟังเราทําสิ่งที่พระเจ้าสอนไปทําไปทําไปน่ะมันต้องได้น่ะทำไปทําไปทําจิตให้บริสุทธิ์ผุดพองทําจิตให้เป็นสมาธิาการเดินทางไปสู่นิพพานของเราก็จะเป็นเรื่องที่เป็นสบายน่ะพระเจ้าเคยพูดถึงปฏิสปทานเป็นที่สบายต่อการที่จะบรรลุนิพพาน แล้วก็คือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวในความไม่เที่ยงนั่นแหละนะมันก็อยู่ในมรรคนั่นแหละเราเดินตามทางนี้ไปนี่จะไปถึงที่อยกษมได้ท่านผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยใดๆก็ขเขียนมาถามครับเจ้าได้ที่เลขที่1หมู่แปดตบลดอนไหลโศมอำเภอหนองหานจังหวัดปูดรนธา น, นีหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เผียวธรรมะ .com ในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจ้าพระไปยบุญขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวะันพรุ่งนี้จเจริญปาน